เป็นสีเขาเลยหลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งอะนะคะคออือตอนเพ่ง่ไม่ทราบอะะแต่ว่าทราบตอนที่มันแข็งแข็งแล้วอะฮะถึงถึงจะทราบนะคะคือคุณเพนสีต้องสังเกต ต, ตรงตัณหาที่อยากปฏิบัติ ะ, ะมันเกิดจากตัณหาที่อยากปฏิบัตินั่นแหละเพราะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตนะจิตแค่อยากปฏิบัติรู้ทันไม่เป็นหรอกเจ้าค่ะ เราเล่นเล่นต้นทางมันหลวงพ่อครับปฏิบัติครั้งที่แล้วอ่ะนะคะหนูมีสภาพทำํำประเภทหนึ่งปกติเนี่ยจิตเขาไปนอนน่ยนะคะหนูจะทราบแต่อันนี้คือจิตเนี่ยเขาเขาเขานอนแล้วก็ถูกทับอะ่ะคะทับเสร็จแล้วก็หนูก็ไปดิ้นดินแต่ตอนดิ้นเนี่ยไม่ทราบอนะคะดิ้นไม่ทราบพออีกทีหนึ่งก็มาเห็นเห็นว่าเขาบังคับเขาไม่ได้เขาขาดถึงเลยค่ะนั่นแหละ คือดีแล้วที่เห็นขาดพึงไปพอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราเห็นไตรลักษ์ในชะ่ไหมตัวที่วิเศษที่สุดเลยปัญญาที่วิเศษที่สุดคือไตรลักษ์กระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็เพราะว่าเห็นไตรลักษ์นั่นแหละแล้วมันขาดพึงออกไปเลยอันเนี้ยเขาเป็นโมหะหรือเปล่าคะไอตัวที่โดนโดนโดนเหยียบไปคือตัวที่ถูกกดเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะไอตัวที่ไปกดเขาเนี้ยสิ หนูไม่เห็นตัวนี้นะเจ้าคะหนูไม่เห็นหนูโดเห็นว่าเอาเขาโดนทับแบบแข็งไปทําอะไรไม่ได้ อ, ะอ่ะค่ะให้รู้ไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> รู้ไปคือเราภาวนาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะรู้ว่าเราทําไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่เพื่อเราทําได้นะะเ <c oughs> งี้ยอย่างที่ฝึกแนวที่คุณเพ็ญศรีฝึกเนี่ยเยอะเลยที่ภาวนาไปแล้วเห็นว่าทําได้เจ้าค่ะเช่นโกรธขึ้นมาก็โกรธนอหายละ <c oughs> อะไรอะไรเกิดขึ้นกําหนดไปแล้วหายหมดเลย รู้สึกว่าเราบังคับได้หรือบางคนภาวนาไปดูต้นจิตอะไรเงี้ยเห็นเลยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราสั่งได้กลายเป็นอย่างนั้นไปแทนที่จะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจเป็นอนัตตานะแต่การที่คุณเป็นสีมีสติรู้ลงไปเห็นว่าจิตมันถูกกดไว้ทําอะไรมันไม่ได้นั่นถูกต้องละพอปัญญามันถึงปั๊บเนี่ยนะมันขาดลงมันเองเลยนั่นแหละอย่างนั้นเราถึงจะมีปัญญา หลวงพ่อคะแล้ ว, วความรู้สึกหนูเองอ่ะนะคะว่าครั้งที่แล้วที่หนูปฏิบัติสิบห้าวันเนี่ยค่ะหนูมีความรู้สึกเองว่าหนูได้ขึ้นชั้นหนึ่งไม่ทราบว่าถูกต้อง ไ, ได้ขึ้นชั้นนะค่ะอย่าเพิ่งขึ้นเลยน ะ, ะยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเจ้าคะเรารู้ไปละเราไม่ต้องไปชั้นไหนนะเอาชั้นปัจจุบันนี่แหละรู้ลงปัจจุบันไปจนมันหนึ่งใจมันจะหลุดออกไปเลยใจมันจะขาดสะบ้านเลย อะไรๆก็ย้อมเข้ามาไม่ถึงใจอีกละแล้วใจมันจะมันกว้างขวางนะมันไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงใจของเราตอนนี้ยังมีขอบเขตมีเปลือกหุ้มเนี่ยแสดงว่ากิเลสเรายังไม่หมดเราก็ต้องภาวนาของเราไปวันหนึ่งไอ้เปลือกนี่จะแตกสลายไปมันถูกแหวกถูกทําลายออกไปถูกทำลายสี่รครั้งนะมันก็าขาดหมดแนละครั้งที่1 น, นะแหวกปั๊บยังกะเร า, เามีดไปฟันเข้าไปในหมอกนะนะั่แหละ แวบกแวบเดียวปิดเลยนะสองครั้งสามครั้งก็เป็นแบบเดียวกันในครั้งสุดท้ายแล้วแวบกออกไปแล้วไม่เข้ามาอีกจิตนี้มันจะหลุดออกมาเป็นอิสระเลยครอบโลกครอบจักรวาลกว้างขวางไรขอบไรเขตปริยัตบอกมีมารยาที่กัดกว้างขวางนี่จำไม่ได้แล้วนะท่องมาหลายวันชื่อเรียกยากยากเอาไว้คุยกันนักปริัต จิตใจมันจะมีแต่ความสุขนะถ้ามันเห็นทำชนิดหนึ่งเึ่งครอบโลกครอบจักรวาลครอบทุกสิ่งทุกอย่างครอบงำขันไหมทำนี้ว่างไม่มีตัวมีตนจิตใจที่เข้าไปสัมผัสทำนี้นะมีแต่ความสุขล้วนๆงั้นการภาวนาเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายเลยว่าชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนก็ชื่อของกิเลสทั้งนั้นแหละงั้นดูไปเรื่อยจนมันไม่มีอะไรปรงแต่งไม่มีอะไรย้อมจิตได้อีกละ มันแปลกนะมันคล้ายๆจิตกับโลกเนี่ยรวมเปน็นอันเดียวกันแต่ไม่กระทบเข้าถึงกันเนี่ยภาษามนุษย์ไม่รู้จะใช่ยังไงอย่างในก้อนหินก้อนอิดเลยเนี่ยจิตนี้ก็ซึมซ่านไปได้ทุกคนทุกแห่งนะไม่มีขอบเขตเลยมันมองไปนี่ไม่มีขอบเขตคุณเพ็นรศรีเคยรู้สึกไหมอย่างบางครั้งเราเดินไปในที่แคบๆมันรู้สึกบีบใช่มมันรู้สึกบีบเพราะเราถูกที่จากัด แต่พอเราภาวนาไปจนเราปล่อยหมดแล้วเนี่ยนะเราเดินเข้าไปตรงไหนนะไปอยู่ในตู้แคบๆเ้าก็ไม่รู้สึกบีบมันจะโล่งตลอดโลกาธาตุไปนะั่นมันมีความสุขล้วนๆอยู่งั่นใครฝึกไปดีละอาสงคืนมาข้างหน้ามาเมื่อกี้ใครจะคุยต่อไหมมันไม่ค่อยตื่นเลยครับทำไมไม่ตื่นนะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมก็ค่อนข้างจะไปยุ่งกับโลกมากไปหน่อยครับ ยุ่กับโลกก็ยุ่งได้นะแต่ว่าพอกิเลสเกิดแล้วให้รีบรู้บ่อยๆครับอย่าละเลยนะถ้าเราหัดรู้บ่อยๆถึงเราอยู่กับโลกเราก็ภาวนาได้ไม่ใช่ภาวนาไม่ได้ธรรมะขั้นต้นโสดาส ก, กิทาคาอะไรเงี้ยคารวะก็ทําได้ไม่ยากเกินไปขอเพียงแต่ให้ทำเท่านั้นแหละคือให้คอยรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆเวลาเราอยู่กับโลกมีการกระทบกระทั่งมาก การกระทบกระทั่งเกิดบ่อยๆแล้วเรามีสติรู้บ่อยๆคือทําการบ้านทั้งวันแล้วนั <c oughs> ้นไม่ช้าหรอกแต่ว่าถ้ากระทบกระทั่งแล้วเราเพลินไปเลยเนี่ยเช้ายันค่ํำในอย่างเงี้ยช้าแน่นอนแล้วจะเกิดวิบากด้วยอย่างเราไปคลุกกระโลกมาช่วงหนึ่งนะใจเราจะมองๆ ม, มัวๆวีกช่วงหนึ่งต้องรับผลกรรมไปแก้ไม่ได้นะต้องรับยอมรับสภาพไปด้วยใจที่เป็นกลาง ใจใจเป็นกลางมันก็จะมัวมวของมันอยู่นั่นแหละแต่จิตใจก็สงบสุขอยู่ได้นั้นใจมันจะเป็นกลางกระทั่งกับความไม่ดีแต่ไม่ยอมความไม่ดีนะไม่ใช่ไปทำอีกทำแล้วทำอีกครับบังคับมากไปนิดนึงปล่อยปล่อยเลยอเบอร์รู้สึกว่าพักนี้จะหลงหลงฟุ้งฟุงไปเยอะอะค่ะ อย่างช่วงก่อนหน้าที่จะมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะหลงๆไปตลอดะค่ะก่อนหน้านั้นก็จะรู้สึกว่าจะไปติดเพ่งๆนะค ะ, ะรู้สึกว่าหาตรงกลางไม่ค่อยได้ะค่ะตรงกลางไม่มีไม่ต้องหานะมันเผลอไปรู้สึกมันเพ่งไว้รู้สึกรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างสมมติว่าบางครั้งสมมติทํำนู่นทํานี่อยู่แล้วก็มันรู้สึกขึ้นมานะคะก็จะติดที่จะชอบไปจ้องมันนะคะมืนพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพ่งต่อเลยะ น, นะคะดีแล้วเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนแหล ะ, หะมันเคยชิน เราเผลอรู้สึกก็เพ่งสลับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยมันเป็นยังไงรู้ไปอยากจะขอกันบ้านเพิ่มค่ะเราดูไปยังไขอะไรยังไงบอกให้ไปดูอีกนะจิตเผลอไปก็รู้จิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นรู้จนเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่รู้จนบังคับได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่ฝึกจนเห็นว่าเราบังคับไม่ได้สักนันเดียว อย่างบางครั้งรู้สึกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นมานะคะเหมือนกับว่ามันขมุกขมัวอยู่ะจะตื่นก็ไม่ตื่นนะะ่ ะ, ะ, ะนั่นแหละให้รู้ไปอย่างนั้นแหละมันเป็นยังไงก็รู้ไปยอมรับนะเมื่เราไปมั่วสั่วกับโลกมายังไงก็ต้องหมองอต้องรับผลกรร ม, มจะแหมใสติ้งเลยเหมือนจะออกอยากชาดมาใหม่ๆไม่ได้นะอะคุณชกชัยกราบ น, นมาตการหลวงพ่อครับวันนี้ปรุงแต่งไหมวันนี้ใช่ครับ วันนี้ก็เป็นผลจากอากุศลจิตที่มันเกิดทิทีกันวันสองวันแล้วตอนนี้มันก็รับผลของมันก็คือซึมเศรายำรับมันอย่างน่าชื่นตาบานไม่ปฏิเสธแล้วมันไม่ทุกข์หรอกจะเห็นว่าขันเป็นทุกข์นะอากุศลวิบากเนี่ยทำร้ายขันได้แต่ทำร้ายจิตซึ่งมีสติปัญญาอยู่นี่ไม่ได้ดีแล้ว คือคนบางคนน้มันน่ากลัวจริงทำอะไรน้ําซ่อนผลประโยชน์ไว้เต็มเลยเมื่อไม่กี่วันนี้ทิตย์ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนางสารคนนี้ถูกต้มไปทั้งยี่สิบกว่าล้านเพื่อนนะมีบริษัทอยู่เพื่อนบอกเพื่อนอยากภาวนาช่วยซื้อบริษัทให้หน่อยสิเห็นใจเพื่อนจะซื้อซื้อไปแล้วพอบ่าเฮ้ยบริษัทนี้กลวงไม่มีอะไรเลย กลวงวันดีคืนดีเจ้านี้มาทวงเงิน7ล้านกว่า7ล้านบอกว่าบริษัทเนี่ยไปสั่งซื้อของไว้แล้วพอเข้ามาเก็บเงินนะก็สั่เข้าไว้บอกเดือนนี้เดือนนี้ค่อยมาเก็บใหม่เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนี่รับไป7ล้านละ้เสร็จแล้วลูกน้องก็มาขอเข้ามาลูกน้องในบริษัทเนี่ย พวกนี้ก็คือคนของบริษัทเดิมนั่นแหละพอ เ, เปลี่ยนเจ้าของแล้วเขาก็รับทํางานต่อลูกน้องมาขอเข้ามาบอกว่านายเก่าเนี่ยตอนโน้นตอนจะขายบริษัทนายเก่าสั่งให้เมคตัวเลขขึ้นมาฐานาบริษัทให้สร้างขึ้นมาเลยมาขอเข้ามาว่าหลอกนายใหม่อ่เบริษัทไม่มีอะไรแล้วก็พบต่อไปอีกวัตถุดิบที่สั่งซื้อมานี่ของแพงแล้วบริษัทนี้ขายของแพง มีบัญชีสั่งซื้อแต่ของไม่มีโดนไหลไหลเรื่องเลยอันที่สามะอันแรกมีหนี้ซ่อนไว้อันที่สองบริษัทนีฐานะไม่มีอะไรแล้วเจงแล้วอันที่สามก็คืออวัตถุดิบเข้าไปอันที่สี่ลูกน้องรายงานอีกวันที่ขายบริษัทแล้วเนี่ยน้องสาวของเจ้าของบริษัทเก่าเนี่ยไปเก็บเงินที่เคาน์เตอร์ เอาไปอีกห้าแสนคือมันทุบ ก, กระเบียดนิ้วเลยกรรมการหลวงพ่อเนะี่เข้มแข็งมากเลยสู้ตายรอดตายมนได้ก็บุดนะไม่ไหวท่านรับไปก็ไม่เป็นไรแต่เอาท่านไปอ้างนะมีคนมาบอกแล้วเอาท่านไปอ้างนะภาวนาต่อ กราบนรันสการค่ะไม่ค่อยได้มากราบหลวงพี่ในช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าไม่ได้เพ่งแล้วก็มีสติดเข้าทํางานของเขาคือผลืดไม่นานนะคะแล้วก็ในขณะที่รู้เหมือนกับรู้โดยไม่ได้หมายว่าเป็นอะไรแล้วก็ค่ะแล้วก็แตพ่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็พบว่าตัวเองก็มีนิสัยที่คือเห็นเห็นนิสัยที่ไม่ดีคือเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงของ ของพฤติกรรมหลายอย่างค่ะคือกล่าวโดยรวมแล้วมีความรู้สึกว่าก็เป็นภาวนาเป็นปกติอะค่ะภาวนาดีขึ้นนะใจสบายโล่งขึ้นมาละรู้ทันเท่าทัานความรู้สึกตัวรู้ตื่นมีเยอะขึ้นใจเป็นกลางเยอะขึ้นดีละนี่ภาวนานะแต่เบื้องต้นรู้สภาวะไม่เป็นมาเรียนเรียนไปก็รู้สภาวะเป็น พอรู้สภาวะเป็นแล้วส่วนมากไม่ค่อยเป็นกลางเห็นสภาวะไม่ดีแล้วก็อยากแก้ไขเห็นสภาวะที่ดีอยากรักษาอะไรอเงี้ยต่มาก็รู้ทันความยินดียินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายนะจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวะทั้งหลายต่อไปอีกสภาวะทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษ์ให้ดูเราก็ดูไปด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างเงี้ยดูมากเข้ามากเข้าในที่สุดใจก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเพราใจมันเป็นกลาง ตรงที่ใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเนี่ยสาคัญมากเลยใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างล้นแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วใจเป็นกลางใจไม่ปรุงแต่งไม่สร้างภพสร้างชาติต่อไปภพชาติเก่าที่ดํารงอยู่กระดับลงไปวับลงไปขณะเดียวเทนั้นภพใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นมามรรคผลมันเกิดขึ้นมาไปเห็นธรรมะซึ่งไม่ปรุงแต่ง นิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแตง่งในขณะที่ขันนะเป็นธรรมะที่ปรุงแตง่งสมมุติบัญญัตินี่ก็ของปรุงแตง่งเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแตง่งจิตใจที่หลงอยู่กับสมมติบัญญัติจิตใจที่หลงวุ่นวายอยู่กับขันเช่นร่างกายไม่สบายจิตใจก็วุ่นวายไปด้วยจิตใจมีกิเลสจิตใจก็ไม่ชอบหาทางต่อสู้ใหญ่เ น, นี่ล้วนแต่ของปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเขารู้ทันว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับ ใจรู้อย่างลึกซึ้งนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะใจจะไม่ปรุงต่อจิตที่มันหมดความปรุงแตง่งมันก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแตง่งเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเห็นครั้งที่หนึ่งนะอยู่ได้ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้จริงเห็นครั้งที่หนึ่งอยู่ได้แวบเดียวก็กลับมาอยู่กับความปรุงแต่งต่อมาอยู่กับบัญญัติกับมาอยู่กับขันต่อครั้งที่2ครั้งที่3ก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอีก จนเห็นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถือจิตได้เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะปล่อยวางความยึดถือได้ไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกแล้วพราะจิตเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดถือเอาไว้เหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราดูยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางยากที่สุดเวลาจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราก็รู้ยากที่สุดเวลาจะปล่อยวางก็ปล่อยวางหลังสุดเลยยากที่สุด อย่างร่างกายเนี่ยรู้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเวทนาหรือกุศลกุศลจิตสังขารทั้งหลายเนี่ยรู้ได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จะเห็นจิตว่าไม่ใช่เรานี่ยากที่สุดพอเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระโสดาบันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราอีกละ่ะภาวานาต่อไปจนหมดความยึดถือกายมันหมดไปตามลําดับของมันเองนะไม่ต้องไปกังวลนะนะที่เราก็ดูจิตดูใจของเราไปอย่างปกตินี่แหละ ถึงเวลามันก็วางความยึดถือกายมันปิ๊งขึ้นมามันเห็นเนะ่กายเป็นก้อนทุกล้วนๆเลยไม่ยึดถือกายจิตจะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทัพะแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพบะบางคนคิดว่ากามนี่เป็นแค่อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกามทางใจก็มีเรียกว่ากามธรรมา อย่างเราไม่ได้ไม่ไปยุ่งกับใครนะมันก็นั่งคิดสมมติว่าเป็นพระบวชมาใจหนีไปคิดเรื่องสาวเนี่ยเป็นกรมมารมาใจมันเพลิดเพลินไปในโลกของความคิดในเรื่องกรรมแต่ว่าพอมันเห็นความจริงนะว่าขันทางรูปธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยทางร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยความยินดียิ น, นร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโฟสพาและกรรมธรรำจะดับอัตโนมัติ จิตจะไม่มีกามและปฏิฆะโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาทําไมไม่มีกามไม่มีปฏิฆะกามกับปฏิฆะนั้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วและกรรมมาทาเกิดขึ้นอย่างตาเรามองเห็นรูปที่สวยใช่ไหมก็ยินดีเห็นรูปไม่สวยก็ยินร้ายขึ้นมาอาศัยตรงนี้ยินดียินร้ายขึ้นมานี่พอเราไม่ยึดในตาเราก็ไม่ยึดรูปขนาดตายังไม่ยึดเลยแล้วจะไปยึดรูปทําไม ที่เรายึดตาก็เพราะว่าตาเนี่ยทำให้เราเห็นรูปที่สวยๆงามๆถ้าตาเราต้องเห็นแต่ของน่าเกลียด น, น่ากลัวเราก็หลับตาใช่ไมไม่อยากเห็นหรอกไม่อยากมีตา เ, เรารักหูก็เพราะว่าหูเนี่ยให้เราได้สัมผัสกับเสียงที่ถูก อ, อกถูกใจถ้าได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีนะเสียงนวกหูควรประสาทตลอดวันตลอดคืนไม่อยากมีหูหรอกเนี่ยที่เรารักในรูปเสียงกลิ่นรส บทศภ า, าทั้งหลายแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีการบ้างปฏิฆาบ้างเพราะเรารักในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองพอปัญญามันแทงตลอดนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของทุกล้วนๆเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาตามันก็ไม่เอารูปอัตโนมัติไม่เอารูปกามและปฏิฆาในรูปก็ไม่มีมันดับอัตโนมัติไปหมดเลยเนี่ยธรรมะเป็นของอัศจรรย์นะดับเข้าไปที่จุดสําคัญของมันนะที่เหลือดับหมดเองดับเองเลย เพราะั้นตานาคามีเนี่ยไม่กังวลสนใจที่จะคอยต่อสู้กับกรรมและปฏิฆะไม่เกิดเลยนะไม่เกิดเองการภาวนามจะบีบบงเข้ามาที่จิตอันเดียวนี่เห็นไหมตัวสุดท้ายที่จะมาตะลุมบอนกันนะคือตัวจิตนั่นเองมันไดปิ้งขึ้นมาจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะมันเป็นทุกข์คือมันถูกเสียดแทง มันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะเราบังคับมันไม่ได้แล้วแต่จะมุมที่จะเห็นนะมุมใดมุมหนึ่งก็พอรวมความก็คือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนั่นเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าพูดให้เต็มยศนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์อริยมรรคก็จะเกิดเลยอันทีในขณะนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตออกไปคราวนี้มันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสอีกแล้ว กิเลสจะมีหรือกิเลสจะไม่มีไม่มีนญยสะสคัญเพราะมันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสไม่มีอะไรย้อมจิตติดมันเข้าถึงสันติสุขเป็นปลายทางของการปฏิบัติมาถึงตรงนี้เองค่อยฝึกนะมันไม่ใช่ยากเหลือวิสัยมันยากเพราะทำผิดเพราะชอบคิดเอาเองเช่นคิดเอาเองว่าการปฏิบัติต้องทาอย่างนี้ต้องทาอย่างนี้ ต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจแบบนี้เนี่เวลาหายใจต้องมีจุดกระทบเท่านี้แห่ง6แห่ง7แห่งเดินต้องมีเท่านี้จังหวะจะยิบของก็ต้องมีกระบวนท่ามือจะขยับจิตจะทํำยังไงอะไรเงี้ยมันกำหนดจดจ้องไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชั้นหลังตระหากสอนขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สอนง่ายๆ ไม่ได้สอนว่าหายใจออกมีกี่จังหวะหายใจเข้าต้องรู้ลมกระทบกี่ฐานไม่เคยสอนเลยท่านสอนบอกว่าก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้ท่านไม่ได้สอนว่าก้าวหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยพวกเราไปทําอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันทําของง่ายให้ยากทําของซึ่งตื้นๆให้ซับซ้อนสับสนขึ้นมาไม่ได้มีอะไรเลย รู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปสิอย่าใจลอยให้รู้สึกเอานะไม่ใช่ให้เพ่งเอาไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจให้รู้สึกเอาไม่ใช่ให้เผลอไปลืมกายลืมใจเ <_ c oughs> ท่านี้แหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆกายกับใจก็จะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่จิตเราเห็นสติปัญญาเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อนั้นเรียกว่าวิปัสสนา <_ c oughs> บางคนตื้นไปนิดน่ะคิดว่าวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจไม่ได้ตื้นขนาดนั้น ล้ำพังรู้กายรู้ใจยังไม่ขึ้นวิปัสนาต้องเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสนาเห็นเลยมันไม่เที่ยงจริงๆมันบังคับไม่ได้จริงจริงจิตถึงขึ้นวิปัสนาจริงๆเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเราบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์พอจิตมันยอมรับจิตมันจะไม่ดิ้นรนละอะไรเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปแสวงหามันไปยึดครองมันหรือไปปฏิเสธมัน มันหมดความดิ้นรนเลยพอจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งเนี่ยในฉับพลันนั้นเองจิตจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแตง่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อใดรู้ทุกแจ่มแจ้งนะคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อนั้นสมูทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติสมูทัยคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ตัณหาไม่มีเรื่องอื่นออกมีอยู่แค่นี้แหละหลักๆ อยากเรื่องอื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยากก็อ ย, กอยากอยู่ในกายในใจนี่แหละทันทีที่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมูทัยก็ดับอัตโนมัติเลยทันทีที่ตัณหาดับตัณหาคือตัวสมูทัยดับอัตโนมัตินิโรธก็ปรากฏอัตโนมัติในขณะเดียวกันนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์แจมแจ้งละ ส, สมูทยัยนิโรธปรากฏในขณะนั้นแหละคืออริยมรรคเห็นไหมทุกสมูทยัยนิโรธมรรคนะท่านเรียงกันได้สวยมากเลยนะ รู้ทุกไปสรู้ทุกไปจนมันล่าสมุทยัยแจ้งนิโรดนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเนี่ยท่านสอนอริยสัจไว้สวยสดงดงามมากเลยไม่มีธรรมะใดเสมอเหมือนอริยสัจเลยถ้าแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติไม่แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนเลยไม่ได้เดาเดนะครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้น เวลาเราภาวนาเราจะรู้สึกเลยเรายังไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเมันรู้นะลึกๆลงไปมันรู้สึกว่ายังไม่พอแต่มันไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ว่ารู้ไม่รู้อะไรนั้นเราคงรีบไปหาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านก่อนในเวลาภาวนาจริงเนี่ยมันจะรู้สึกเลยจิตเราไปหยิบ่วยจิตขึ้นมาเรายึดถือจิตไว้ไม่ยอมปล่อยวางเพราะอะไรก็ไม่รู้มันรู้แต่ว่ายังไม่พอรู้สึกแต่ว่ายังไม่พอ วันหนึ่งภาวนาแล้วมันปิ๊งอริยสัจขึ้นมาอ๋อขาดความเข้าใจเรื่องอริยสัจนั่นเองพอปิ๊งขึ้นมาท่านก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยวัตถะสงสารขาดลงตรงนั้นเลยชีวิตที่เหลือนะก็เป็นชีวิตที่คล้ายๆคนซึ่งทํางานหนักๆเสร็จแล้วะล่ะร อ, รอรับรางวัลรอรับรางวัลมีชีวิตเหมือนคนรอรับรางวัลไม่ใช่ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยแล้วนะงานเสร็จแล้ว เรารับรางวัลใหญ่แจ็คพอตกำลังจะมาแจ็คพอตคืออะไรแจ็คแจ็คพอตคืออนุปาที่เสสนิพานตอนนี้ได้เข้าถึงนิพานชั้นหนึ่งแล้วเรียกว่าสอุปาที่เสสนิพานเป็นนิพานกิเลสนิพานของกิเลสแต่ขันยังอยู่เมื่อขันยังอยู่นะขันเนี่ยมันกระทบกระทั่งมันเสียดแทงมันทุกข์โดยธรรมชาติของขันไม่ใช่ว่าขันของพระอระหันต์ไม่ทุกข์นะ ขขนของพระอราหารันต์ก็ทุกข์เหมือนขันของหมาของแมวของคนธรรมดานั่นเองแต่ว่าใจนั้นแะมันไม่กระเทือนไปกับความทุกข์ของขันเรียกว่ามีสอุปาที่เสสนิพานอยู่ตรงนี้ก็ยังมีภาระนะต้องดูแลขันถึงเวลาเขาไปบินทบาทหาข้าวมาฉันอะไรเงี้ยบรรเทาทุกขเวทนาในกายเจ็บป่วยก็ต้องไปให้หมอดูให้อะไรเงี้ยมีภาระอยู่ ถึงเวลาต้องไปสงน้ำไปอาบน้ำไม่งั้นสังคมรังเกียจมมีภาร ะ, าระมีงานต้องทำทางกายแต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นะมันคล้ายๆรอรับรางวัลใหญ่แจ็คพอตรออยู่ข้างหน้ายังไงก็ได้วันหนึ่งก็จะต้องได้ก็คืออนุ ป, ปาทิเศสนิพธทานพวกเราได้ยินเรากลัวด้วยซ้ำไปไม่อยากได้หรอกความสิ้นขันะสิ้นกิเลสไปแล้วก็เหลือแต่สิ้นขัน ว่าอะไรเพราะเราเรารักขันส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ไม่ได้รักขันนะรู้สึกว่าขันนี่เป็นภาระพระมาหากัสปะนะท่านเคยพูดเปรียบเทียบไว้หน้าฟังท่านบอกพระอรหันต์เนี่ยจิตใจของพระอรหันต์เนี่ยนะคล้ายๆคนหนุ่มคนสาวคื อ, อยังกระปรีก้กระเป่าสดชื่นไม่ใช่หอเหี่ยวนะจิตใจพระอรหันต์กระปรีก้กระเป่าเทียบได้กับร่างกายของคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ไปอาบน้ํามาเรียบร้อยเลยนะ ใส่น้ำหอมใส่อะไรใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่เครื่องประดับสวยงามนี่แต่เวลาจะไปไหนมาไหนนะไปหยิบหมาเน่ามาตัวหนึ่งต้องสะสมหมาเน่าไว้นะแล้วเอามาเน่าเนี่ยห้อยคอไปด้วยเอาพาดคอไปพ้าดไหลไปไปไหนก็ขิ้วหมาเน่าไปด้วยความรู้สึกของพระอาหารหันต์ตอขันก็คือรู้สึกเหมือนหมาเน่าตัวหนึ่งแหละถ้าหมาเน่าตัวนี้จะได้ถูกปลดออกไปถูกวางออกไปไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายใช่ไหม เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหมาเน่านะเรารู้สึกเป็นของดีของวิเศษเมะะื่อไงถ้าจะเสียไปเราจะเสียได้แต่พระราหันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าขันเนี่ยเหมือนหมาเน่าจริงๆนะไม่ได้ดีตรงไหนเลยบางองค์ท่านก็เทียบไว้หน้าฟังบอกขันเนี่ยนะเหมือนถุงหนังร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังของเราเดี๋ยวนี้คงเป็นถุงพลาสติกสมัยนั้นไม่มีถุงพลาสติกก็มีถุงหนังใส่น้ําได้นะ ถุงหนังนี้มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่หรูรูรั่วเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนดูร่างกายนี้มีรูรั่วใหญ่ๆมีกี่รูนะหลวงพ่อก็จําไม่ได้ละเจดมั้งมีรูรั่วอยู่นะมีรูรั่วเล็กๆอีกเยอะแยะนับไม่ถ้วนมีของโศโครกไหลออกมาเป็นนิดมีของโศโครกไหลออกจากร่างกายนี้ตลอดเวลาดูสิเรามีขี้เยอะนะตั้งแต่หัวนะตั้งแต่หัวเรามีขี้หัวใช่ไหม ขี่ถึงขี้ตีนเลยเห็นไหมมีขี้ทั้งนั้นเลยท่านบอกมีของโศโครกไหลออกเป็นนิดงั้นท่านไม่ได้รักนะไม่ได้หวงแหนขันงั้นท่านก็รู้สึกว่าเออวันหนึ่งก็หมดภาระเรื่องขันแต่ว่าไม่ได้อยากตายไม่ได้อยากตายไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่แต่อยู่แบบคนไม่มีธุระอยู่แบบคนที่รอรับแจ็คพอตงั้นเวลาท่านจะนิพพานเนี่ยจิตใจท่านจะร่าเริงเบิกบาน เวลาพระอรหันต์จะนิพพานเนี่ยจะร่าเริงองไหนเข้าฌานได้ท่านก็จะเข้าเล่นด้วยความสนุกสนานส่งท้ายนะเข้าส่งท้ายเข้าเข้าออกออกเคยมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ทราบนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พกกิจกรณ์คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยวันท่านจะมรณภาพต้องใช้คํานี้นะเกือบไปใช้คำว่านนะิพพานเนยวันที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านชวนนะ ข้าวชานข้าออกข้าออกเข้าไปถึงนิโรธทรงอยู่พอสมควรถอย อ, าาออกมาเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นท่านเคยสอนไว้ตั้งแต่ก่อนท่านจะบรณภาพนะว่ามันการเป็นการทวนเล่นเป็นการทบทวนในสิ่งซึ่งเคยสร้างสมบุกมบรมาเป็นของดีของวิเศษที่สุดละในสังสารวัตรนี้อะไรจะดีวิเศษเท่าชานสมาบัติทั้งหลายนะไม่มีไม่เห็นมีเลย วนเข้าวทวนออกทวนเข้าวทวนออกแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็โยนทิ้งไปตอนที่ทิ้งไปในนะ้ำไม่ได้ชิ้งในฌานสมาบัติใดๆทั้งรูปฌานหรืออรูปฌานทิ้งด้วยจิตปกติจิตธรรมดาของมนุษย์นี่เองวิถีจิตสุดท้ายเนะี่ยของคนทั่วๆไปมันจะมีจุติจิตเกิดขึ้นของพระอรหันต์ไม่มีหรอกมันดับไปมันไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกฝึกนะ้าฝึกไป ศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะแต่ใครฝึกคนนั้นก็มีความสุขเ ห, เห็นได้ชัดๆด้วยตัวเองเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมามาจากประเทศไหนจำไม่ได้ละเออมาจากอเมริกานะมาขอบคุณบอกว่าฟังซีดีหลวงพ่อนะดาวน์โหลดไปจากอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ความทุกข์มันหายไปชีวิตซึ่งเคยมีความทุกข์หนักหนาสาหัสนะความทุกข์มันหายไปเลย ม, มันมีความสุขขึ้นมางั้นภาวนาไปนะเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แต่จิตเราจะห่างกายห่างใจออกไปเรื่อยเรยเราก็ห่างก้อนทุกข์ออกไปเรื่อยเรยเหมือนมันมีกองไฟที่ร้อนแรงอยู่กองหนึ่งเราภาวนาแล้วเราก็รู้ว่านี่กองไฟนี้มันร้อนนะ mm hmm. เห็นทุกข์นั่นเองเราก็ค่อยๆอ ย, อยถอย ห, ห่างกองไฟออกมา ความร้อนแรงของมันก็ลดลงลดลงลดลงนะวันหนึ่งล้วก็เดินหนีมันไปส่วนกองไฟนี้จะดับหรือไม่ดับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่มีหน้าที่เป็นตํารวจดับเพลิงด้วยงั้นขันนี้จะแตกดับเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องไปช่วยมันดับเพราะงั้นพระละหันไม่ฆ่าตัวตายนะเพราะไม่ได้รู้สึกอยากตายก็ไม่ได้รู้สึกอยากอยู่ให้ฝึกนะมีแต่ความสุขรออยู่ข้างหน้าเยอะแยะเลยน่าดู อ้าวว่าไปรู้สึกว่าการเรียนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอะไรนะการเรียนรู้เหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยใช่<ล>ใชเปลี่ยนไปเรื่อๆๆยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นก็กลับมาเรื่องเดิมตอนนี้เหมือนคนหัดใหม่อะไรนะตอนนี้เหมือนคนหัดใหม่เนี่ยั่นแหละหัดใหม่ไว้ทุกวันอย่าเป็นคนเก่งนะอทุกวันหัดใหม่คือทุกวันรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยถ้าวันใดเราสำคัญมั่นหมายว่าตอนนี้ชั้นได้ชั้นนี้แล้ว สมมติว่าตอนนี้ันเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปนี้ฉันจะดูแต่กรรมกรรมและปฏิฆะเพื่อฉันจะได้เป็นพระอนาคาอะไรเงี้ยถ้าไปตั้งเป้าอย่างนั้นน่าตายขาที่เลยให้เป็นคนหัดใหม่ทุกทุกวันลืมของเก่าไปไม่ต้องไปคิดแล้วว่าการปฏิบัติเมื่อวานนี้เป็นไงทุกวันหัดใหม่คือตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจทุกวันฝึกอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลย จำไว้นะไม่มีอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันด้วยจิตใจที่เป็นกลางเท่านั้นมีเท่านี้แหละนะคีย์เวิร์ดของมันมีเท่านี้จริงๆนอกนั้นจะเป็นรายละเอียดงั้นเวลาเราเรียนกรรมฐานสังเกตไหมมาถามอะไรหลวงพ่อตอบได้ทุกเรื่องเลยแต่ตอบได้ด้วยคําตอบเดิมนะรู้ไปสิคําตอบว่ารู้รู้ไปเรื่อยๆนะรู้ตามความเป็นจริงนะใช้ตอบปัญหากรรมฐานได้ทุกเรื่องเลย เพราะงั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออัศจรรย์ใครถามอะไรก็ตอบได้นั้นเป็นความไม่ฉลาดของเราเองถ้าฉลาด จ, จะรู้ว่าหลวงพ่อตอบเหมือนกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามก็ได้อะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ลงไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ลงไปสิไม่มีเกินนั้นหรอกเราจะไปหลงกับปรากฏการณ์ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราลืมหลักเช่นวันหนึ่งใจเราไปฟิฟิฟิฟิฟิฟิฟิฟิฮะมาอันนี้ไม่เคยเห็น ไวเหมือนไฟสปาร์กปิ๊บๆๆๆอะไรวะลืมหลักแล้วตามหลักก็คือรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏด้จิตที่เป็นกลางลืมไหมมันลืมได้นะแล้วมันลืมได้ทุกคนแล้วลืมได้ทุกขั้นมันมีเท่าน้นเองแต่ว่ามันหลอกเราซ้ำซากนะจริงๆง่ายสุดๆเลยอ่พี่วัยเชิญแขนหายยังใช้ได้ย0 3สบสเอร์ซนเหรออีกนาน ที่เล่าก็คือปรากฏการณ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่คำถามคือว่ า, ามีคืนนึ่งนอนคิดว่าหลับสนิทแล้วก็จิตมันตามรู้มีสติตามรู้เห็นจิตทำงานเกิดดับเกิดดับโดยไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่นานมากแล้วก็อยู่วิ่งวิ่งไปวิ่ ง, ว, ง, ว, ง, ว, งวิ่งนี่คือเกิดดับเกิดดับอยู่ในโครหาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคูหาคือหน้าตาเป็นยังไงพอเสร็จแล้วก็ จิตก็เห็นเหมือนกันว่าสติก็เห็นว่าจิตเนี่ยรู้สึกแปลกเออนี่แปลกแล้วมันก็ไปทำงานของมันแล้วที่แปลกกว่านั้นแปลกสำหรับตัวเองนะคะก็คือว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่มีหน้าตาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่มันเกิดดับเกิดดับ <Yeah. S 1> แล้วก็จบลงด้วยเกิดสัญญาขึ้นมาครั้งเดียวสัญญาปรากฏขึ้นมาว่าปรมาสก็คือ พอตื่นขึ้นมาต่อหลังก็คืออารมณ์เข้าใจว่าคืออารมณ์ปรามัดสภาวะปรามัดที่เราไปรู้เข้าออแล้วยาวพอควรแต่คิดว่ายาวนี่คงไม่ยาวมากเพราะจิตมันทำงานเร็วแล้ว <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่ายาว ก, ก็คือแปลกที่เกิดตอนหลับสนิทไม่เพราะว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะเวลาเราร่างกายหลับเนี่ยหลับไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันได้พักพอแล้วจิตจะเริ่มตื่น จิตตื่นขึ้นมาจิตทํางานได้เองแล้วมันขึ้นวิธีทํางานได้ปกติเลยธรรมดแล้ว<ำ>สติก็เกิดได้ธรรมดาทํางานเนี่ยมันจะมีฝันเป็นสัญญองสัญญาเป็นคิดเป็นเรื่องอันนี้ไม่มีรรม ไ, ไม่มีเนื้อหาเลยคือเห็นการเกิดดับดีละนะเฝ้ารู้อยู่ยในที่สุดเราจะเห็นในไม่มีตัวเราเลยจริงๆนึกออกไหมลองทวนเข้าไปในะนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยไม่มี มีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งก็ทํางานไปธรรมชาติอันหนึ่งก็รู้ไปธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีหน้าตาอะไรเลยไม่มีไม่มีก้อนไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีรูปร่างไม่มีเลยหายไม่ใช่หายก็มองดูไม่มีเพราะว่าจิตเป็นอรูปจิตมันเป็นอรูปเนี่ยมันเป็นนามเพราะงั้นไม่มีรูปร่างแสงสีตัวตนใดๆทั้งสิ้น นี่เราไปเห็นจิตเป็นดวงดวงอะไรนี่ภาษามนุษย์หรอกจริงๆไม่มีเป็นดวงแต่มันมีคูหาอยู่มีอมีมขต ม, มันเกิดอยู่ในครูหาเกิดอยู่ในครูหาทไมมันยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่จิตของพระอราหันต์ไงฉะนั้นจิตยังมีขอบมีเขตมีเปลือกแต่ว่าเป็นเปลือกในความรู้สึกไม่มีรูปร่างดีแล้วภาวนาดีพี่ใบภ า, าวนาไป สมมติว่าชาตินี้ไม่ได้นะชาติน้างง่ายแล้ง่ายมากเลยแบบฟังทำสกิจ น, นิดนึงก็ไปละ อ, อะไรนะเวลามันไปนกระทบอารมณ์ที่ที่น่ากลัวอารมณ์ที่ประกอบด้วยโทสะสติจะเกิดขึ้นเองในชาติใหม่อันนี้ตามสถิตินะตามสถิติ ต้องไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงแนละ้วมันจะขึ้นมาของเก่าที่เคยฝึกแม่ฉีนี่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อไม่นานองิงอยู่กันมาตั้งนานไม่ไม่เคยเล่าเพิ่งเล่าบอกตอนเป็นเด็กเล็กเรียนอยู่โรงเรียนนึงเป็นคนเสียงเบาเนี่ไม่ค่อยมีเสียงหรอกเวลาครูถามอะไรก็ตอบครูไม่ได้ยินนะครูโมโหครูให้ไปยืนท้ายห้องให้ตะโกนมาให้ครูได้ยินให้ได้หน้าห้องตะโกนยังไงก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะ พอได้ยินเสียงอ้าวมาหน้าห้องตะโกนไปให้หลังห้องได้ยินอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยได้รับความทุกข์ถ้าต้องทำในสิ่งซึ่งทำไม่ได้อะไม่มีเสียงอ่ะให้ตะโกนดังๆพอมีความทุกข์อย่างนี้จิตมันแยกออกมาเลยเห็นร่างกายนี้วิ่งไปวิ่งมาเห็นร่างกายตะโกนแล้วจิตก็สอนขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะงั้นเราภาวนานะมันไม่หายไปไหนหรอก มีพระองค์หนึ่งนั่งเล่นอยู่หน้าหน้าบ้านริมถน น, นเห็นไฟไหม้ข้างข้างบ้านนะตกใจลุกขึ้นวิ่งสามเก้าเท่นั้นเห็นความตกใจเลยความตกใจขาดสะบั้นรู้สึกตัวขึ้นมามีพระอีกองค์หนึ่งท่านเล่าว่าท่านไปเป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุโป้งขึ้นมาไม่ทันระวังตกใจเห็นจิตที่ไหวแวบแล้วก็ดับเลยรู้สึกขึ้นมาพอมาภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมาละ ก็ออเอ๊ะอันนี้เคยเป็นมาแล้วความรู้สึกตัวชนิดเนี้ยเคยรู้สึกมาแล้วแต่ลืมไปซะนานนี่เคยเคยรู้สึกเหมือนกันแล้วก็หลับไปอะไรนะเคยตื่นเมื่อตอนนานแล้ว่ะก็ตื่นแล้วมันไปนกระทบอะไรแล้วหลับไปเอ๊กระทบอะไรแล้วตื่นโ ก, โ, โกรธค่ะโกรธตื่นใช่ตามสถิตินะ น, นี่ได้อีรายแล้วมันจะไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงอะ่ะความโกรธเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดอารมณ์ตระกูลโทสะ ความโกรธความตกใจความกลัวนะความบีบคั้นคือคือตอนนั้นโกรธคุยกับพี่วิไลยอยู่พี่วิไลพูดอะไรไม่ทราบโกรธมันเป็นมีดเสียดแทงขึ้นมาแล้วไปถามท่านท่านบอกเห็นไหมว่าความโกรธนี่มันเสียดแทงแล้วก็หรือว่าไม่ได้หรือลืมไปหรือว่าหลับอย่างนี้ก็คือหลับได้อีกอหลับได้อี ก, อกนะเพราะว่าภูมิของเราเนี่ยมันเดินด้วยตัวเองยากมาก สาวกภูมิอาศัยครูบาอจารย์อาศัยฟังคําสอนอะไรเนี่ยใจค่อยภาวนาขึ้นมาเอาภาวนาแล้วถึงจะรู้ว่าเอ้ยนี่ของเก่าเนี่เลยทําง่ายถ้ามีของเก่าแล้วทําง่ายนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีของเก่าก็ต้องทําของใหม่นะแล้วไปเป็นของเก่าเอาชาติหน้าไม่ใช่เก่าเพิ่งไม่มีก็ไม่ต้องทําของใหม่มันก็ไม่มีไปเรื่อยๆยอมลําบากซะตั้งแต่วันนี้ศึกษาตั้งใจเล่าเรียนไป ลำบากก็ลำบากชาตินี้แหละต่อไปก็ง่ายหลายคนไม่ใช่ว่าต้องไปง่ายชาติหน้านะหลายคนง่ายชาตินี้ล้วเด็กคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้เนะีมีไม่รู้กี่ร้อยคนนับไม่ถูกละเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนที่ยังไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นเนะี่ยมีอีกเยอะเลยพวกที่ฟังซีดีพวกอ่านหนังสือแล้วตื่นตื่นขึ้นมานะเยอะแยะพวกนี้เหมือนหน่อของต้นไม้นะเหมือนหน่อต้นโพลหน่อต้นไม้ รอเวลาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเองเหมือนหลวงพ่อเป็นนักเพาะชำต้นไม้นะอันนี้ที่นี่เหมือนเรือนเพาะชำนีวหลวงพ่อก็นั่งดูต้นไม้ที่หลวงพ่อเลี้ยงไวนะ้นั้นมันค่อยโตขึ้นทุกวันงอกงามวันหนึ่งก็เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งของนกกาข้างนอกต่อไปเราสืบท่าธรรมะ ก, กันด้วยวิธีนี้แหละ สิบทอดเรียนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจงจริงๆธรรมะเข้าสู่ใจเราใจเราก็ส่งธรรมะเอาไว้มันก็ถึงจะไปส่งต่อได้ใจเราแห้งแล้งไม่มีธรรมะไม่ส่งอะไรก็ส่งอาธรรมส่งเปลือกไปวันนี้ก็ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อครับะระยะหลังเนี้ยลองไปฝึกดูนี่รู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นครับ อันนี้อันนี้โพวนาดีขึ้นใช่มครัดีขึ้นสินะจิตที่เครียดเคลียดแข็งแข็งมันอกุศลครับแ ล, แล้วออล่าสุดหลวงพ่อทักว่าประคองจิตไว้ครับยังประคองอยู่ไหมครับน้อยไม่ค่อยประคองคําว่าประคองหมายความว่าไงหมายถึงจงใจที่จะรักษามันไว้จงใจที่จะปฏิบัติความจงใจแม้แต่นิดเดียวนะก็สร้างพบได้แล้วความจงใจเขาเรียกว่ามโนสัญญเจตนา มโนสัญญเจตนาเจตนาคือความจงใจสัญญามีสัญญาคือจงใจอย่างรู้ตัวที่จะจงใจได้นะแล้วก็จงใจทํางานทางใจก็เลยเรียกมโนสัญญเจตนามโนสัญญเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารนะอาหารมันทําให้ชีเราเกิดชีวิตจิตใจขึ้นมามโนสัญญเจตนาคือความจงใจที่จะปฏิบัติเองทำให้เกิดการสร้างภพ นั้นมโนสัญญะเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญญะเจตนานี่แหละทําให้เกิดการสร้างพบคุณรู้สึกไหมพอจงใจเราก็สร้างพบภายในขึ้นมาทันทีที่สร้างพบภายในมันก็มีตัวเราขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาใจถูกเสียดแทงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนั้นตัวนี้ตัวร้ายนะถ้ารู้ไม่ทันจิตจะสร้างพบไม่เลิกผัดสาหารผัดสะคืออาหารอะไรอย่างนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ถ้าเรารู้ทันตัวมโนสัญญเจตนาล้เพระฉนั้นตัวนี้ตัวสําคัญในวิธีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อถึงเขียนถึงตัวนี้ไม่ได้เขียนถึงอาหารตัวอื่นเพราะมันง่าย เ, าเบอร์79กราบนั้นการหลวงพ่อครับมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาคือมองไม่เห็นความแตกต่างความว่ารู้กับคิดว่ารู้กั บ, ร, บรู้กับคิดใช่ไหมคุณต้องหัดสังเกตเอานะ อย่างคุณสังเกตไหมเวลานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยคุณไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังสลับแก่คิดรู้สึกไหมเนี่ยคุณหัดตรงนี้ก่อนนะอย่างเวลานั่งฟังหรือนั่งคุยกับใครสักคนเนี่ยคุณสังเกตให้ดีคะเนี่ยตอนนี้ใจคุณหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ครับเนี่ยหัดอย่างนี้ต่อไปเรารู้จักว่าคิดเป็นยังไงทันทีที่เรารู้ว่าจิตลงไปคิดนะขณะนั้นรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมเราเริ่มจากสิ่งผิดเราไม่เริ่มจากสิ่งถูก ทำยังไงจะรู้ถูกเนี่ยทำไม่ได้หรอกเนี่ยใจแอบไปคิดและทราบไหมตอนเนี้ยก็ต้องหลวงพอกกอ่อทักเออหลวงพ่อทักให้เป็นตัวอย่างนะอีกนายคุณจะเห็นด้วยตัวเองเพราะคุณเคยเห็นตามที่หลวงพ่อบอกให้แล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปในโลกของความคิดในขณะนั้นจิตจะตื่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเป็นอกุศลชนิดอุทัศจะเป็นโมหะชนิดหนึ่งเนี่ยไปอีกแว บ, บและรู้สึกไหมครับทันทีที่เรามีสติรู้ทัน โมหานั้นจะดับทันทีเลยจิตก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันแต่จะตื่นขึ้นครั้งละขณะแวบๆนะถ้าเรียนอภิธรรมเขาบอกเจ็ขณะแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตื่นได้แวบเดียวสั้นนิดเดียวตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมแล้พอหลวงพ่อทักเขวบก็เห็นรู้สึกเป็นวบวเลยอ่าเนี่ยมันจะแวบขึ้นมาเนี่ยอันนึงหลงไปคิดนะอันหนึ่งรู้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจครับว่ารู้ว่ายังมันจะอันเล็กนิดเดียว นี่ให้รู้บ่อยๆวิธีจะรู้บ่อยๆก็คือรู้ว่าหลงไปคิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นจิตหลงไปคิดเมื่อไห ร, ร่รู้จิตหลงไปคิดเมื่อไห ร, ร่รู้ฝึกอยู่เท่านี้พอแล้วที่เหลือพัฒนาเองครับนะอ่ะคุณตรงเห็นไหมเบอร์ดสิบเ้นีไปคิดแล้นะง่ายไหมโ้แต่กว่าจะคลาออกมาได้นะแทบตายเลยนะกว่าจะคลาออกมาได้ว่าจริงๆง่ายนิดเดียวเองอต้นทางมันอยู่ตรงนี้เอง ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาละไม่มีคาถามนะ้ครับบังคับไหมคุณต้องอยังบังคับอยู่ไหมวันนี้ก็มีบ้างเป็นระยะระย ะ, ะน้อยลงไปให้รู้นะไม่ดีก็ได้รู้ไปคุณตรงใจหนีไปแล้วคุณตรงก็พอห่างไกลหลวงพ่อก็ได้เลื่อนชั้นนะคะพอห่างน้อยวันก็ชั้นเล็กๆ ่อไปก็ชั้นกลางๆพอห่างไปหลายวันชั้นมันใหญ่เลยอะค่ะเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นแบบชั้นนะคะชั้น อ, อ, อ, อัตตา อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะอัตตานะอัตตาให้รู้ไปนะรู้ไปรู้ได้ดีที่สุดเลยแล้วคุณหมอก็ใจก็ยังไม่ค่อยตั้งมั่นมากนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้ฟุ้งซ่านเยอะครับอ่าจับถูกฟุ้งซ่านนี่เป็นโมหะมันก็มัว เ ร, เราก็ต้องรับวิบากรู้สึกไหมครับแก้ไม่ได้บางคนภาวนานะบอกดูแล้วทําไมไม่หายหมองหายมัวไอหมองมัวตัวนี้ไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นวิบากวิบากนะไม่หายนะวิบากต้องชดใช้พ่อครับรับบาทีรู้สึกเหมือนกิเลสมันทีมันถูกหลอกอยู่เรื่อยครับหลอกให้ทำโน่นบางทีพอจะทําหลอกกลับมาเลยว่าหลอกไม่ให้ทำอีกรอบหนึ่งอ่าครับให้รู้นะหลอกให้เราทําเราก็ต้องรู้ทันหลอกไม่ให้ทําก็ต้องรู้ทัน บางคนหลอกให้ไม่ทํากรรมฐานกิเลสสอนนะอย่างจะหัดพุดโทโธก็จิตฟุ้งซ่านมากจําเป็นจะต้องทําสมถะซะหน่อยเช่นพุโทโธเราจะเริ่มพุโทโธเฮ้ยนี่มันปรุงแต่งนี่นะเลยไม่ทําเลยไม่ทําอะไรเลยนะกลายเป็นไม่ได้ปฏิบัติอะไรสักอย่างอย่างนี้ถูกหลอกนะเพราะฉะั้นบางทีมันก็หลอกให้เราทําบางทีมันก็หลอกให้เราไม่ทําแต่สังเกตไหมมันชอบหลอกให้เราทําสิ่งซึ่งไม่ควรจะทํา แล้วมันหลอกให้เราเลิกทำสิ่งที่ควรจะ ท, ทำมันนะฉลาดสุดๆเลยต้องรู้ทันมันนะแม้มันฉลาดมากนะจริงหลวงพ่อนะถูกมันปู้ยี่ปู้ยำ ม, มาเยอะเลยเช่นเราภาวนาไปเนี่ยนะกลางคืนเราตื่นมาภาวนาตามเจ็งคารวาต์อ่ะมันรีบสอนเลยต้องมัชชิมาน ะ, ะหากโหอมอย่างนี้เดี๋ยวร่างกายโทมพรุ่งนี้ก็ต้องไปทางานไม่ไหวนะ เดี๋ยวเบล์เลงานการก็เสียนอนไม่พอจิตใจก็มัวเนี่ยบรรยายให้เราฟังนะโอ้นอนซะต้องพักพระพุทธเจ้าให้เดินสายกลางสายกลางคือไม่ได้ตั้งขึ้นทางนี้ไม่ได้ตั้งลงทางนี้นะตั้งระนาบอย่างนี้ต้องฉลาดนะโอ้ยมันเก่งจริงๆใครที่คิดว่าจะหลอกกิเลสนะถูกกิเลสหลอก เช่นบางคนจะแกล้งเผลอมันเพ่งมากจะต้องหลวงพ่อบอกทับเผลอเผลอไปแล้วมันก็เลิกเพง่งแกล้งเผลอมันไม่หายนะเอหลอกกิเลสเนี่ยไม่มีใครทําสําเร็จหรอกมีแต่โดนกิเลสหลอกว่างไงทุศีนทุสีโลจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นอะครับตรงนี้เดี๋ยยิ่งตอนนั้นเป็นหวัดแล้วมันเสียขบวนไปเลยครับแล้วก็ มีวันหลังๆนี่มันเริ่มกลับมาได้บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับตอนที่เราภาวนาเองตอนกลางคืนตอนนั้นรู้สึกมันได้เนื้อได้หนังมากกว่าเนาะใช่รหมตาเราภาวนาของเราอยู่คนเดียวนะมันลดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายไปผัสสะมันโดดเด่นอยู่ทางใจเราก็เห็นได้ง่ายแต่ว่าถ้าฝึกอยู่แค่นั้นแล้วไม่ยอมออกมากระทบโลกนะพอออกมากระทบเมื่อไหร่ก็คว่าเลย เราต้องฝึกอยู่ในโลกธรรมดาเมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกไปด้วยถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ฝึกอยู่ทางใจฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้เห็นสภาวะทางใจได้แม่นยำํำทุกวันต้องซ้อมนะเพราั้นต้องทําในรูปแบบซ้อมไว้เสร็จแล้วถึงมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราฝึกซ้อมไว้ดีจะเห็นสภาวะในชีวิตประจำวันได้ถ้าไม่ซ้อมดูยาก งั้นการปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้หรอกมันจะเป็นบางช่วงอ่ะครับคือนานๆทีที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจําวันทั้งที่เห็นคือนานๆทีที่ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วแบบเห็นแบบเห็นสภาวะที่ชัดเจนไ ม, ไม่จําเป็นต้องขนาด น, นั้นนะรู้เท่าที่รู้ได้ส่วนมากก็จะไปรู้สภาวะที่หยาบๆเช่นความโกรธพวกนี้ดูง่ายก็ดูเท่าที่ดูได้ไม่ใช่อยากดูให้เยอะ แต่ว่าต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมน่ะนักมวยเหมือนเป็นแชมป์โลกแล้วไม่ซ้อมชกกระสอบสิไม่ซ้อมชกลงนวมชกอะไรนะมันมีลูกบอลชกแล้วเด้งเด้งอ่ะเคยไปชกทีนะแล้วมันเด้งใส่หน้าเลยเลิกเลย <c oughs> ถ้าไม่ซ้อมนะถึงเวลาก็ชกไม่ออกเอาเบอร์อะไรเบอร์สามสิบห้าครับฮะก็ด้ มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนะท่านท่านได้ให้หนังสือทางเอกกับกับผมมาที่นะคุณภาวนาใช้ได้ละครับดีแล้วใช่เป็นตื่นแล้วครับก็งั้นก็แต่แต่ผมเองเนี่ยนะฮะก็ฟังฟังจากซีดีของหลวงพ่อแล้วเนี่ยนะฮะที่เวลาบอกที่หลวงพ่อบอกเอ้จิตหนีไปคิดจิตเนินไปแวบอะไรเนี่ยผมเองดูไม่เห็นเลยครับไม่เป็นไรให้รู้กายไว้ก็ได้ รู้เท่าที่รู้ได้แต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกร บ, บางคนเขาก็เห็นมุมนี้บางคนเขาก็เห็นมุมนี้แต่ว่าสุดท้ายนั้นก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเหมือนเหมือนกันแต่ความละเอียดความหยาบแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องดูเหมือนกันด้วยครับก็ก็ขอข อ, ขออนุ ญ, ญาตเล่ า, าสิ่งที่ที่ที่ที่ปฏิบัติมาแล้วก็ปรากฏกับตัวเองก็คื อ, อมีอยู่วันหนึ่งนะฮะก็ มีความคิดว่าเอ๊ะจนั่งสมาธิดูสักนิดหนึ่งสินะฮะก็นั่งสมาธิประมาณสักสักห้าชั่วโมงแล้วคงไม่เป็นเรื่องเป็นลาวอะไรหรอกครับก็ไปเข้านอนนะนอนในขณะนอนเนี่ยก็มีก็คิดในเรื่องที่ก็คิดเรื่องแรกเนี่ยก็คิดก็มันเหมือนว่าจิตมันก็ตามคิดเข้าไปนะพอจบก็คิดเรื่องที่สองก็คิดตามเข้าไปพอเรื่องที่สามเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่อ เป็นการคิดว่าเอ๊ะเราเร า, เราจะสอนอภาษาอังกฤษลูกเรายังไงดีนะฮะพอทันทีที่จิตคิดเนี่ยฮนะก็มีความรู้ว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเล้วมำไมต้องไปคิดมันนะฮะก็เลิกคิดพอเลิกคิดตรงนั้นจิตก็จะลงเหมือนว่าตกลงไปในผวังนะฮะ mm hmm. แล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะมาสตินี่แจ่มใสนะ mm hmm. ลูกแต่ไม่รู้อะไรเลยอ mm hmm. นะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่สักก็ก็ไม่ทราบวันนานแค่ไหนนะฮะแล้วก็ กพักหนึ่งก็จะมีความรู้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอรู้สึกตัวขึ้นมานะฮะก็จะมีความก็เหมือนกับว่าจิตมันคือคือขอตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ขอขอเรียกว่าจิตมันมันมันมันตื่นมันแจ่มใสเนี่ยน ะ, ะก็จะตื่นอยู่อย่างนั้นนะฮะพยายามนอนก็นอนไม่หลับน ะ, ะก็อีกประมาณถ้ากืบเกือบตีสามนะะถึงถึงถึ ง, ถงเข้าใจว่าถึงจะหลับได้ลุกขึ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่า พอเราพอพอรู้สึกตัวเนี่ยลุกลุกขึ้นมาจากจากที่นอนเนี่ยมีความลูกเอ๊ะทำไมเราทําอะไรมันช้าไปหมดนะก็ไปทํางานตอนไปทํางานเนี่ยนะะก็เอเวลาจะพูดจะคุยจะฟังเขาพูดเขาคุยหรือว่าจะคิดเรื่องงานอะไรเนี่ยคือคือมีความว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับมันอยู่กับตัวนะฮะมั น, ม, นมันไม่ไปวกแวกกับกับกั บ, ก, บกับข้างนอกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะะ ก็มาพบว่าตัวเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือแต่เดิมเนี่ยมีความมีความ เ, าเรียกว่าอาจจะเป็นวิบากหรือเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์อะไรที่มีมานะฮะก็มีความอาฆาตแค้นคิดจะฆ่าคนจำนวนเยอะๆนะฮะพอหลังจากานั้นมาเนี่ยนะปรากฏว่าพอความคิดอันนี้เกิดเนี่ยนะฮะมันว่าจิตนี่ก็ตัดทิ้งทันทีเลยเ<อ>นะฮะพอเกิดแล้วก็ตัดทีนี้ ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วที่กลายเป็นว่าอะไรที่เป็นเป็นอกุสลที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะตัดไปเลยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลที่ไม่อใช้คําว่าไม่ไม่หนักหนาเนี่ยนะเขาจะคิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะแต่คิดไกลอพอครั้งที่สองก็กคิดเหมือนกันแต่ว่าสั้นลงสั้นลงน่าจะประมาณสักครั้งที่สี่ครั้งที่หอะไรเนี่ยนะฮะเขาเขาแค่รู้สึกแล้วก็ก็ตัดไปนะ แล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊มันมีมันมีมนม ข, อขอเรียกเป็นว่ามีตัวข้างบนตัวกลาง<อ>นะ<อ>ก็มองกันไปมองกันมา<อ>ดูกันไปดูกันมาเนี่ยนะแล้วก็แต่แต่มีความรู้กว่าอ๊แรกๆก็แจ่มใสเดือนนะั้นพอเลยนะเอ๊ยชักชักตื้อๆมึนๆ น, นะก็เอไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นอะไรก็มาหาหลวงพ่อเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้ ราให้หลวงพ่อฟังก็ได้ซีดีไปฟังเนะี่ยพอฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่มันมึนๆที่มันนั่นเนี่ยมันหายไปนะฮะพอตรงนั้นหายไปก็ปรากฏว่าอ่ามันมันเหมือนว่าแล้วก็ในซีดีของพ่อเนี่ยจะพูดอยู่คำหนึ่งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยนะฮะก็วันหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปพบว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเรามันมีแต่ทุกข์วนะ่า แต่ตรงนั้น ก, ก, ก็ยังคิดว่าเป็นเปนเป็็นนเเพราะว่าเอได้รับการฟังมากไปนะถัดจากนั้นมาแ ต, แต่ตรงนั้น เ, น เ, ร, เ, ร, เริ่มมีความรู้สึกมีเหมือนว่าเอ๊ทําไมมันมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> นะะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะในช่วงประมาณสักเยน็ยนๆเนี่ยน ะ, ะทานข้าวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็พักผ่อนอยู่สบายๆเนี่ยนะะสติมันไปแล้วลึกว่า เ, เราอึอดอัด นะทันทีที่สติระ ล, ลึกอึดอัดความมึดอัด อ, อยู่เนี่ยนะนักนั้ น, นนั้นเนี่นะฮะจิตบอกว่าเออเป็นเป็นเป็นเรื่องของเองที่เองอึดอัดแต่คําไี่ไ้อึดอัดด้วยอะไรลักษณะเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยไอตัวบนสองตัวมันหายไปก็จะเหลือจะเหลืออยู่ตัวตัวไอตัวข้างล่างทีนี้ก็จะมีความคิดว่ า, วาบางทีที่นั่นเนี่ยจะเหมือนกับว่าตั ว, ต, วตัวไม่มีเนี่ยนะตัวร่างกายเนี่ยไม่มีแต่ว่า มันจะมีแต่อา ย, อายตนะเนี่ยนะเวลาสัมผัสเวลาสัมผัสก็รู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสเวลาเห็นนั้นแต่ว่าเวลาฟังซีดีของคุณพ่อเลยเนี่ยไอ้ไอไอที่บอกว่าเห็นหนูน่นเห็นนี่เพราะว่าอะไรเนี่ยก็ก็ก็ดูไม่ออกเนี่ยไม่ๆๆใช่คุณพ่อทางใครทางมันครับเราไม่ต้องเหมือนใครหรอกนะที่ภาวนาน่ะดีแล้วทําไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรืยใช้ได้ดีแล้วดีใจมันตื่นแล้วเราก็รู้ไปนะ ตัวบนเราไม่ไปตั้งไว้ก็ดีแล้วมันเป็นแค่ตัวอาศัยนี่บางคนไปติดไอ้ตัวบนแล้วไปถ้าไปเพ่งใส่ตัวข้างบนนะติดเลยแก้ยากที่สุดเลยเพราะั้นจะมีก็มีไม่มีก็ช่างมันแล้วก็คอยรู้ไปใจเรากิเลสยังปรุงแต่งได้เราก็รู้ไปด้ว่อยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะก็พยายามตามรู้แอบไปคิดแล้วคิดไม่เลิกค่ะก็รู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างค่ะแต่ก็ พยายมรู้ไปเรื่อยๆดีขึ้นแล้วเนาะค่ะก็ะยังช่วยขึ้นแล้วมีที่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างไหมคะภาเพเปียนไปนะเดีย๋ยวถอยก็แล้วกันคือเดี๋ยวนี้นะครับหลวงพ่อตอนฟังซีดีหลวงพ่อจะรู้สึกว่าอึดอัดน้อยลงแล้วครับแสดงว่าน่าจะพัฒนาขึ้นหน่อยแล้วใช่ไหมครับไม่จําเป็นหรอกอย่างหลวงพ่อฟังยังลาคาญเลยจริงๆต้องมานั่งตัดต่อแล้วน่าเบือ่อ แต่แต่เราอึดอัดน้อยลงแสดงว่าเราไปเพ่งน้อยลง<ร>ใช่ไหมครับเ ร, เราไม่ปฏิเสธสภาวะเพาไม่อึอดอัดครับนะบางคนก็ไม่ชอบฟังนะต้องฟังแล้วก็อึอดอัดเป็นเรื่องธรรมบัญาบางคนไม่ชอบอ่านอ่า น, านแล้วอึอดอัดอย่างเงี้ยมีให้เลือกใครอ่านแล้วอึดอัดก็ไปฟังใครฟังอึอดอัดแล้วก็ไปอ่านเนาะอ่าว่าไปโน่นโน่โนหลงไปละคุณเออแล้วมันบังคับมากไปนิดนึงนะปล่อยปล่ยมัน ค่ะก็ในขณะที่เราบริกรรมพุโทโธไปแล้วมันเห็นความคิดไหลเป็นเรื่องเนี่ยค่ะในขณะนั้นเราเป็นผู้ดูหรือผู้เล่ น, นคะใช่เป็นผู้ดูถ้าผู้ผผเพ่งมันก็จะนิ่งนิ่งมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นิ่งคงที่อยู่เลยนะบางทีตัวอื่นเคลื่อนไหวได้แล้วมีตัวหนึ่งนิ่งซ่อนอยู่ของคุณตอนนี้ไม่มีแล้วสมมุติว่าเราบริกรรมแล้วเราก็หลงเนี่ยค่ะแล้วมันก็เห็นความคิด ตัดขึ้นมาอเงี้ยนในขณะนั้นเราก็เป็นผู้ดูใช่ไหมครับใช่ใชขอบคุณค่ะเพิ่งเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเป็นผู้บังคับแล้วผู้ดูตายไปกลายเป็นผู้บังคับเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานค่ะท่านเชยยกใหม่นิดนึงตอนที่ตอนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยบางเอิญมันมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะก็จะรู้สึกเห็นเห็นตลอดเวลาเลย ขึ้นมาว่าเราทุกข์แล้วเราไปคิดแล้วโอ้ดีใช่ไหมฮะท่า น, นี้มันก็จะตัดไปบ้างดับไปบ้างแต่บางครั้งมันก็ต่ อ, อช่วงนั้นก็จะเห็นแล้วก็รู้สึกตัวได้เยอ ะ, อะหรือเวลาที่มีโทสะหรือวันที่ใจเราห ง, งุดหงิดเนี่ยเราจะเห็นในแต่ในขณะที่มันเป็นอาการปกติไม่ได้มีมีเรียกอะไรฮะไม่ได้มีมีโทสะหรือมีอารมณ์โมโหเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าเผลอบ้างท่า uh. น, นี้พอพอหลังๆเนี่ย ไอ้เรื่องทุกเรื่องโทสะเนี่ยมันน้อยลงในขณะที่ตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวบ่อยแต่ส่วนเวลาที่รู้สึกธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับมันเบาๆแล้วมันไม่มีอะไรให้เราให้เรารู้ว่าเราเผลอบ่อยๆอะะก็เลยเริ่มสงสัยว่าเราไปสะกดหรือไปเพ่งไว้หรือเปล่าแล้วเราเริ่มมาผิดทางหรือเปล่ า, ลาอรอย่แต่ว่าเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งธรรมดาจิตเนี่ยมันร่อนเร่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่หมายไว้เลยนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะเราะฉั้นเราต้องมีอะไรไว้อันหนึ่งก่อนเพราะตัวนี้เวลาจิตมันมาอยู่นี่เราก็รู้จิตไปก็รู้มันจะมีที่สังเกตได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะจิตจะเที่ยวไปทเที่ยวมาดูยากเพะั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งบางคนเขาอยู่กับพุทโธเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจลืมพุทโธไปหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยจะหลงไม่นานแวบเดียวก็รู้แล้วว่าหลงเนี่ยมีเครื่องช่วยนิดนึง คือคือระหว่างนี้จริงๆก็ได้ทําแบบสมถะด้วยคือคือพุทโธหรือนั่งสมาธินะคะแต่เวลานั่งนี่จะรู้ว่ามันกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาแต่พอพอไม่เราก็เลยรู้สึกว่านั่งก็ก็รู้ทราบว่ามันกระโดดไปอย่างเงี้ยค่ะหลุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาที่เฉยๆเช่นนั่งอยู่ในรถหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้ทํเอาเราก็พุทโธไปเรื่อยๆได้พุทโธไปทั้งวันนะถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่น แล้วเราก็จะเห็นใจแฝงไปแฝงมาเห็นไปเรื่อยๆยิ่งถ้าไปพุทโธนี่จะเห็นมันเยอะเกิไปมากเพราะมันมีที่หมายไว้อันหนึ่งมีตัวที่สังเกตไว้หนีไปก็รู้ละหลุดไปนี้ก็รู้หลุดไปนี้ก็รู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตเนี่ยมันไปเรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าเอ้เราเราไม่รู้ตัวหรือเปล่านอคะไม่รู้ไปหนีไปเรื่อยๆคุณตูหลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคะ ลังลนี่เริ่มมีความรู้สึกว่าความทุกข์บางครั้งมันก็ห่างๆไปนิดนึงคความทุกข์มันอะไรนะมันเหมือนมันมันห่างนิดนิดนะฮอแต่ว่าเห็นทุกข์บ่อยเห็นทุกข์บ่อยขึ้นเยอะขึ้นอะเยอะขึ้นถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมหรอกเราจะเห็นแต่โลกนี้น่าเพลิดเพลินแต่ว่าเห็นแล้วใจยังไม่เป็นกลางเลอให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะงั้นรู้ทุกข์ไป ที่แรกที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าอะ่ะคนไม่เคยฝึกเลยดูสภาวะไม่ได้แต่มามีสติรู้สภาวะอย่างของตู่รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เรียกว่ารู้สภาวะถือว่าดีแต่ต่อมาเราพอรู้สภาวะไปแล้วเราสังเกตอีกไม่เป็นกลางนะไม่เป็นกลางเรารู้ว่าไม่เป็นกลางไปอีกใจจะค่อยๆเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเพราะว่ามีสติไปรู้ทันว่าไม่เป็นกลาง เสร็จแล้วเราก็ใจเป็นกลางเราก็รู้ความทุกข์รู้อะไรของเราไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันเห็นว่าความทุกข์หรือความสุขหรือดีหรือชั่วล้วนแต่เกิดแล้วดับหมดเลยคราวนี้จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอีกชั้นหนึ่งเป็นกลางเพราะปัญญาตัวเป็นกลางเพราะปัญญานี่ตัวสําคัญจุดสุดท้ายที่เราจะภาวนาไปก็คือจิตมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงดังนั้นตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางเราเห็นแล้วว่าจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะ ให้รู้ทันลงไปพอรู้ทันจิตไดเป็นกลางได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายอีกจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวไม่เห็นจะต้องยินดียินร้ายเลยมันปิ้งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกลางคราวนี้ดูสบายๆมันคล้ายๆทีแรกอยู่ในที่รกๆนะหาทางเดินไม่ได้ในป่าคลําไปเรื่อยมุดต้นไม้ไปเลยตอนนี้เหมือนกับเรามาเจอเส้นทางเดินในป่าละเป็นร่องรอยที่มีคนเขาเดินประจํา เราเดินไปด้วยต่อไปมันก็ออกมาข้างนอกโล่งกว้างขึ้นมาการภาวนาก็ยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือใจเข้าสู่ความเป็นกลางเรามีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นนะเหมือนเราอยู่ที่โล่งกว้างสบายเรนะารอเวลาที่มรรคผลเขาจะเกิดแต่ก่อนภาวนานะแล้วก็ลุ้นเมื่อไหร่มันจะได้ขั้นนี้วะขั้นนี้ขั้นนีนะ้ขั้นนี้ยังไม่ได้สัทีอะไรเงี้ยไปหาครูบาอาจารย์ ท่านก็ปลอบนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเหมือนผ ล, ลไม้มันต้องรอเวลาสุกงอมเราก็ฝั่งไว้นะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่ใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยๆตรงเนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคไม่เป็นไรเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขเราฝึกให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะ ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยแล้วหลวงพ่อคะแล้วก็เริ่มเป็นหน่เริ่มเป็นหน่แล้วใช่ไหมอะไรนะหน อ, องหลวงพ่อเนี่ยค่ะเริ่มโตขึ้นนำโตสิโต <c oughs> หลวงพ่อได้ยินอะไรหนอ่ของหลวงพ่อเราไม่ใช่แรดซะหน่อย <c oughs> ตอนนี้หนะ้าต้นไม้ตีออกดอกออกใบนะ แต่กิง่งแต่ก้านงเห็นไหมเราภาวนาแล้วใจเราก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนเราออกมาสู่ที่โล่งกว้างมากขึ้นมากขึ้นนะแต่สุดใจเราไม่ปรุงแต่งอะไรตรงนี้ก็รอเวลาอย่างครูบาอาจารย์บอกเหมือนผ ล, ลไม้รอเวลาสุกงอมเราก็รู้นะแต่เรารู้สึกทําไมสุกช้า <c oughs> มันน่าจะสุกเร็วๆช่วงนี้รู้สึกว่าใจมันเหวี่ยงน้อยลงค่ะหลวงพ่อ <c oughs> เหมือนกับว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมันเหมือนมันมีความรู้อยู่ลึกๆว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนะคะไม่เป็นไรถ้าเป็นทุกวันก็มีปัญหาละทําไมมันเที่ยงก็แล้วถ้าถ้าเกิดช่วงไหนที่ที่มันจมไปหรือฟุ้งไปเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจบ้างแล้วก็พุทโธบ้างได้เป็นเป็นครั้งเป็นไปเรื่อยๆค่ะ เบสมสิบห้าอย่าหนีไปนะดีแล้วภาวนา ม, นมันเต็มเช่นดูกายดูใจไปเรื่อยเถอะหลวงพ่อได้ภาวนาไหมบริกรรมอะไรบริกรม ร, ร, กรมพยายามบริกรรมตลอดอะคะ่ะแต่บางวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีนั่นแหล ะ, สะแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้เอาดีบริกรรมเป็นเพื่อนนะเป็นเครื่องอยู่วันนี้กับวันโน้นเป็นไงวันที่พาแม่มา มันโนนรู้สึกจากวันนี้สู้ไม่ได้ใช่ไหมจิตมันมัวกว่าวันโน้นหน่อยแต่เราไปประคองอะไปรักษามันบางทีมันเสื่อมนะไม่ว่าจะภาวนาให้เก่งแค่ไหนก็เสื่อมนะเพราะจิตมีธรรมชาติมันเป็นของเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราจะประคองไว้จะดิ้นรนตัวนี้คือตัวปัญหาดังั้นตรงที่มันเสื่อมไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาคือเราไม่เป็นกลางแล้วเราจะดิ้นรนเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเรารู้นะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมานะั้นเสมอภาคกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางนะั้นแ่ละถึงจะเกิดปัญหาก็าจะเกิดการปรุงแต่งเกิดการดิ้นรนเกิดการสร้างภพทางใจขึ้นมางนั้นรู้ลูกเดียวนะประคองเยอะไปนิดนึงคงลึกๆอยากดีค่ะทั้งที่รู้ว่ า, าจริงๆก็ไม่เที่ยง ตรงนี้ไงคือคือเรายังไม่ได้รู้ด้วยใจเรายังไม่ได้ยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเราก็ยังอยากให้มันดีอยู่บางทีเราก็ตําหนิตัวเองว่าหมูนี้ย่อหย่อนไปหน่อยอะไรเงี้ยถึงไม่ย่อหย่อ น, นก็เสือ่อมยังไงก็เสื่อมดังนั้นอย่างเป็นคารวาสเนี่ยบางทีเราคุมตัวแปรได้ไม่ดีไม่เหมือนนักบวชนะนักบวชเนี่ยคุมตัวแปรได้ง่ายกว่าอย่างทุกวันพระเนี่ยมีกิจกรรมเหมือนกันทุกวันเลยซ้ำซากบางคนก็เบือ่อบางคนทนได้นะ มันจะคงที่อ่ะมันจะฟิกตัวแปรบางตัวให้คงที่ไปแล้วแล้วมันจะเห็นเลยทุกวันปฏิบัติอย่างเดียวกันเนี่ยแต่จิตใจไม่เคยเหมือนกันเลยส่วนเป็นคารวะเนี่ยมันยุ่งเห็นไหมกระทบโน่นกระทบนี่วันนี้คนชมวันนี้คนดา่าวันนี้ไปทําบุญอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นตัวแปรนี่เราคุมไม่อยู่เพราะั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรเช่นวันนี้จิตเราจเจริญวันนี้จิตเราเสื่อมเราก็รู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้จเจริญเพราะเราได้ภาวนาเยอะ ช่วงนี้เสื่อมเพราะฉันไม่ได้ภาวนาหรอกถ้าฉันภาวนามันก็ดีกลายเป็นชั้นบังคับได้เพราะงั้นทุกวันต้องปฏิบัตินะไม่ยัไม่ล้าเลยนะทําให้เหมือนเหมือนกันแหละภาคเปลี่ยนทุกวันทุกวันเราภาคเพี่ยนทุกวันปฏิบัติเหมือนเหมือนกันทุกวันแต่ต้องเหมือนเหมือนทางบวกนะไม่ใช่นอนทุกวันแล้วบอกเหมือนกันทุกวัน <c oughs> ต้องเจริญสติรู้กายรู้ใจฟุ้งสร้านทําความสงบเข้ามาสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวัน แต่ว่าผลที่ได้จะไม่เหมือนกันสักวันสัวนี้แหละที่จะให้เราเห็นว่ามันเออร์เรสมีตัวแปรที่เราคุมไม่ได้มีอนัตตาเกิดขึ้นคุณผู้ชายข้างหลังฟังรู้เรื่องเยอะนะวันนี้ดีรู้สึกว่ายังจงใจปฏิบัติดีแล้วละดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่จงใจแล้วก็พอเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วเรา เกลียดตัวเองฮะแต่เราเราไม่รู้ว่าเราเกลียดตัวเองอไม่ชอบตัวเองอตอนนี้รู้แล้วนี่นนถึงมาเล่าให้หลวงพ่อฟังได้ดีละที่ภาวนาใช้ได้นะแล้วที่คุณฟังหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยใจของคุณเนี่ยมันมันรับได้มันเข้าใจดีแล้วค่อยฟังฟังแล้วก็สังเกตบางคนใจไม่รับนะคนใจมันกระด้างรับไม่ได้อยากรับนะแต่ใจมันไม่ยอมเข้าใจกับเราเนี่ยคนละตัวกัน มาครั้งที่สอง น, นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังซีดีของหลวงพ่อไปฟังหลายๆครั้งซ้ำกันแผ่นเดียวไม่คือความเข้าใจในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีอะไรมากระทบแรงๆถึงจะรู้ได้แต่ถ้ามีมาเบาบางอะไรเนี้ยก็มักจะหลงนะครับแล้วก็เหตุการณ์อีกอันหนึ่งก็คือเวลาหลับแล้วฝันแต่ฝันแล้วมีเหตุการณ์ที่น่ากลัว ก็เหมือนกับรู้สึกกลัวมันไม่ทราบว่ามันพัวพันเข้าไปในความฝันเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่ได้ได้ ค, คือฝันก็คือจิตที่มันคิดตอนหลับนั่นแหละฝันเพะฉนั้นเราฝึกดูของเราตอนตื่นๆ น, นี้ชำนีิชํานาญนะพอหลับฝันไปเกิดอะไรที่น่ากลัวเนี่ยสติจ ะ, ะระลึก ข, ขึ้นมาได้เองความกลัวจะขาดไปจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้เหมือนตอนตื่นนี้ ว อ, อ, อยากกลบเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้แล้วที่ทำาหยู่อ <c oughs> <c oughs> ดีนะดีนะทำเรื่อยๆนะของคุณฝึกมาค่อยสบายขึ้นแล้วรู้สึกไหมใจเราปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นดิ้นรนน้อยลงนั่นแหละพัฒนาแล้วไม่จำเป็น เห็นความแตกต่างไม่ต้องเห็นชื่อไม่ต้องมีชื่อว่าอันนี้โลภนี่โกรธหลงไม่จำเป็นเลยให้เห็นสภาวะไม่ใช่ต้องไปรู้ชื่อมันได้อีกคนนึงไปไปถึงไหนแล้วออกไป อ, อยากจะขอกับ อ, อนุญาตกับเรียนถามว่าที่ฝึกปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับได้สิต้องฝึกนะ <c oughs> ไม่ฝึกก็ใช้ไม่ได้ ด, ดูได้ไดไดเห็นจิเลบ่อยไหมบ่อยมากเลยครับเสือสั้นลงยัง อ๋อบางทีเป็นวันเลยครับนะแล้วไม่รู้เลยเหรอก็ไม่แน่ใจเพราะเวลาทํางานมันยุ่งมากเลยอนา<ม>เวลาทํางานยกเว้นครับเวลาทํางานต้องไปจดจ่อที่งานรู้ไม่ได้ครับเวลาอื่นล่ะเผลอนานไห ม, มก็ไม่บางครั้งก็นานบางครั้งก็ก็ไม่นานครับเออก็ใช้ได้ครับะแต่ว่าสนใจนะสนใจแล้วคอยรู้เรื่อยๆคือมีฉันทะ มีชันท h าคือมีความพอใจที่จะคอยตามรู้ใจของเราบ่อยๆถ้าเรามีความพอใจมีความสุขที่จะได้ตามรู้จิตใจตัวเองนะมันจะเกิดวิริยะเองจะขยันดูจิตใจก็จะจดจอ่อจิตใจจะตั้งมั่นจิตใจจะเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันจะไม่หลงยาวเอาเอาแถมวันนี้อย่าพูดดังนักนะเสียงดังดงครับโอ้มันดังจริงๆเอ อ, อก็ถามสั้นๆครับคือว่า ผมไปสร้างพบอะไรแปล ก, กๆขึ้นมาหรือเปล่าหมายว่ามันไปติดอะไรโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าหนึ่งก็สร้างไว้ได้วยความเคยชินว่าพบอย่างเดิมเลยแต่มันอ่อนลงอแล้วอย่างคือบางทีมันเหมือนคือมันมันอย่างผมไม่มีตัวรู้ไว้ใช้หรือเปล่ามีมีแต่ว่าตัวรู้เนี่ยมันมันถูกอพบที่เราสร้างขึ้นเนี่ยพุ่มเอาไว้อีกที มันคือพบอะไรครับมันคือมันคือพบของนักปฏิบัติโอ้ยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นมั่นนั่แน้วนนั่นนัวนนั่นนั่นนันนั่นงั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนันอั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นยั่นยั่นงั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่ถ้ัตนนัในที่ตัวนยังนนู่นนั่นนั่นเัิดไม่ครับ อ้าแถมๆไหนๆก็จะหมดแถวแล้วพอดีมาด้วยกันสามคนครับคือน้องคนนี้ก็เขามักจะโทรไปชวนผมมาทิวัดแต่ว่าหลังๆผมฟังซีดีหลวงพ่อผมก็รู้สึกว่าผมเหมัอนก็ไม่ไม่อยากมาเพราะว่าสิทธห้าผมก็ถือไม่ได้ผมบอกตามตรงผมยังชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่แต่ว่าผมนนก็พ<ม>ยายามฝึกว่าขณะนี้กินอยู่อะ ขณะ น, นี้คือถ้าในชีวิตประจำวันผมไม่ได้ทานเหล้าแต่ถ้าเกิดไปสังคมกับเพื่อนคือง <c oughs> ี้เวลาผมคิดต้องสินเนี่ยนะ <c oughs> เราไม่ได้ผิดตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนทุสีนนะอย่างนี้บ <c oughs> นหน้าทุสินมันชอบคิดจริงๆแล้ว <c oughs> มันไม่ได้ทําผิดศีนตลอดเวลาขนาดใดไม่ได้ทําผิดสินนะตั้งใจสํารวมรักษาไว้เราก็มีศีนครบแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่แบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆนี่สินาทีนี้เราสินของเราบริสุทธิ์นะ สิบนี้สิบนาทีนี้ชักหมองๆไปหน่อยแล้วพอพูดมากอย่างเงี้ยะเนี่ยนใะครอยดูไปมันไม่ใช่เราศีนขาดทั้งวันหรอกเพราะงั้นมาได้นะไม่ใช่ศีนขาดมาไม่ได้แล้วจะมีวิธียังไงที่จะฝึกให้รักษาศีนห้าที่เป็นบทเบื้องต้นของคารวะทั่วไปรครับคืออย่าไปกังวลมากน ะ, จะเจริญสติไว้แล้วศีนจะมาเองเรียนเรื่องสติไว้ก่อน ไม่บางคนก็ต้องเรียนเรื่องศีลก่อนเพราะจิตใจทุศีลโดยสัญชาตญาณเบื้องต่ําแต่ปางก่อนส่งมามีนะบางคนชั่วโดยกําเนิดแต่ของคุณมันไม่ใช่ของคุณมันประเภทสถานการณ์ลากไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหักเจริญสติไปเจริญสติถึงช่วงหนึ่งมันไม่กินหรอกไม่รู้จะกินทําไมแต่ถามว่าถ้าจําเป็นแล้วกินไหมกินก็ได้ พระยังกินเหล้าได้เลยรู้ป ะ, ะถ้าเป็นยานะเ น, นี่ยตอนเนี้ยตอนหลวงพ่อที่เป็นงูสวัสดนะใครเข้าใกล้ต้องนึกว่าหลวงพอกินเหล้ามันมียาตัวหนึ่งนะมันมันใสแอลกอฮอล์เข้าไปเวลาทาไว้ที่ท้องที่อะไรนะแม้กลิ่นโชยยังเคยขี้เมาอารู้สึกเลยได้ แล้วก็ดูไปจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันดูอย่างนี้นะแต่เชิญกลับบ้านไปสามนาทีสิบโมงสามนาทีแล้ว